ไม่เบี่ยนเบียนทรัพย์สมบัติของเขาคือศีลข้อที่สองไม่เบี่ยนเบียนแย่งฉิงคนที่เขารักลูกเมียเขาอะไรอย่างนี้ไปแกล้งประทุสร้ายลูกเมียเขาเขาก็เศร้าโศกเสียใจลูกเมียเราเราก็รักอะไรก็ไม่อยากให้คนอื่นมาทำร้ายศีลข้อที่สี่ไปต่าว่าเข า, าไปใส่ร้า ย, ายไปสีโกหกหลอกลวงเขาเขารักอะไรเขารัก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 สีในวงค์มรรคจริงๆก็คือสีข้อหนึ่งสองสามสีนี่แหละสำคัญมากส่วนข้อห้านั้นเป็นไปเพื่อให้เกิดสติเป็นไปเพื่อให้เกิดสติสัมมาวาจจามันก็คือสีข้อ 4, สี่สัมมารกรรมันตะสีข้อหนึ่งสองสามันตั้งใจรักษาไว้ใครมันว่าเราโง่ค่โง่ไปเราอยู่อย่างโง่โงดนะแต่เราไม่ได้เปรียบเป็นคนอื่นชีวิตเราสะอาด คนอื่นดูเขาแหมฉลาดเหลือเกินเบียดเบีย น, ยนซึ่งกันและกันมากมายแล้วชีวิตเขาเป็นยังไงดูคนที่เบียดเบียน ป, ยนปะทุสไลายคนอื่นสุดท้ายเป็นยังไงบ้างหนังสือพิมพ์ลงขา่าวเยอะแยะเลยมีเงินมากมายแล้วมีความสุขไหมชื่อเสีย ง, งเกียรติยศพ่อแม่ปู่ย่าตายหญ่ตายไปแล้วเขายังอามาดาเลยงั้นเราไม่ต้องคิดมากเลยนะพยายามรักษาศีลห้าข้อนี้แหละ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 ทำผิดแล้วอยากขยันแกกันนานเคยมีนะบางคนหลวงพ่อไม่แก้ให้ตอนนั้นหลวงพ่ออยู่เมืองการเพิ่งบวชไม่นานหรอกมีคุณป้าคุณยายคนหนึ่งอยุแปดสิบเจ็ดมาหาหลวงพ่อบอกว่าเนี่ยเรียนจากครูบาอาจารย์นะอาจารย์เดียวกันนั่นแหละเรียนจากหลวงปูเทศแล้วก็ติดสมาธิอยู่หกสิบกว่าปีแล้วที่ติดสมาธินะแล้วมันไม่เดินปัญญา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 ขยับไปขยับมาอูสิบสี่จังหวะลำคาญว่ะเนี่ยวันนี้ใสใจร้อนนะให้ขยับสิบสี่จังหวะเนี้ยไม่ถูกกระโทสจริดอย่างแรงเลยกระโทสจริตทําอะไรที่ซับซ้อนไม่ได้ลำคาญรลวงพ่อเปลี่ยนใหม่เอาแค่เนี้ยได้ไหมฝึกอยู่แค่นี้เองเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกใจหนีแล้วรู้สึกเนี่ยฝึกอย่างนี้อีกไม่กี่วันต่อมานะพไปเจอเพื่อนไม่เจอนานหลายปีละดีใจที่จะเจอมันอยู่คนละฝั่งถนน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 เทศให้คนฟังนะให้หมอฟังเเทศให้คนบ้าฟังเทศเสร็จแล้วเขาก็ถวายผ้าไตรปกติไไหนก็ต้องถวายผ้าได้ผ้ามาหลวงพระก็ถามหมอบอกว่ามีพระมาเข้าโรงพยาบาลบ้างฝากเอาไปถวายผ้าเรามีพอแล้วถ้าเราปีฝืนนึงก็ใช้ได้ตั้งหลายปีนะก็แจกแจกกันบอกหมอเอ๊แต่ที่มันโรงพยาบาลบ้าพระคงไม่มามั้งหมอบอกไม่ใช่พระเยอะเลยนะ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 นักเรียนก็ต้องทำนะเด็กๆต้องทำอยู่ในโลกของความฝันมากไปทำกรระฐานอย่างหนึง่งแล้วก็คอยรู้ทันจิต จ, จิตนี้ไปคิดเรารู้ไม่ห้ามให้หนีเรารู้หนีเรารู้อย่างนี้เรื่อยๆต่อไปแล้วใจเราจะเป็นผู้รู้ขึ้นมาพอใจเป็นผู้รู้แล้วนะมันจะเห็นว่าร่างกายกับจิตใจนี่เป็นคนละอันกันร่างกายหายใจอยู่จิตเป็นคนดู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 นี่ถ้าเราเห็นความรู้สึกนี่ผ่านทางใจผ่านทางใจใครรู้สึกเครียดบ้างใครรู้สึกงงอ่ะใครรู้สึกงงยกมือขึ้นอย่าให้หลวงพ่อชี้เองนะอย่าดอกนะไม่มีทางหรอกคนเรารุ่นกันเอาลงได้ทำไมเรารู้ว่างงถ้าเราสภาวะนี่ไม่ใช่เรื่องยากที่เราจะรู้สุขเราก็รู้จักใช่ไหมทุกเราก็รู้จักงงเราก็รู้จักดีใจเสียใจเราก็รู้จัก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 เห็นร่างกายเคลื่อนไหวเนี่ยพวกเรานั่งเก่ากันยุกยิกตลอดเวลานะแต่ท like ี่ผ่านมาเนี่ยเก่าเราไม่รู้ตัวนึกออกไหมคันก็เก่าหายคันไปแล้วยังไม่รู้เลยว่าเมื่อกี้เก่าหลวงพ่อตั้งอยู่ตัวนี้เห็นเลยนะว่าพวกเรานั่งยุกยิกยุกยิ๊กนะเลยเริ่มเชื่อแล้วมนุษย์พัฒนาจากลิงพัฒนามาก็ยุกก็ยิ๊กตลอดเวลานะไม่เหมือนพวกเทพนะพวกเทพจะนั่งกันเรียบร้อยยิ่งพวกมานี่เรียบร้อยกว่าพวกเทพปกติ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 อย่าไปทําใจขมวดขมวดนะอย่างใส่แว่นเนี้ยไม่เอานะใจอย่างนี้ไม่เอาใจเงี้ยเนี้ยไม่เอาเลยนะใช้อย่างนี้จะไปได้เรื่องอะไรเออใช้ใจอย่างนี้นี่ก็เพ่งไปรู้สึกไหมมื่ออย่างเนี้ยไม่เอานะอใช้ใจที่เป็นธรรมชาติธรรมดา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 หน้าตาอมโชโรคอมกิเลอสอ่ะส่วนใจของคนซึ่มันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานมันเป็นอีกแบบหนึง่งใครรู้สึกว่าหน้าของเราเปลี่ยนบ้างหลังจากภาวนาแล้วยกมเปสิมีบางคนน่ายกเลยเปลี่ยนเดี๋ยวนี้แกกว่าเก่าโอ้โห <laughs> oh, หักมุม <laughs> อย่างนี้ง้อง้อแหม <laughs> อย่างเวลาใจเราเครียดเนี่ยหน้าเราก็เครียดใช่ไหม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 ประมาณนั้นและผู้ใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นด้วยนะเหมือนกันแหละคือ <c ười> สมองมนุษย์เนี่ยมันจะสดชื่นในการรับข้อมูลใหม่ๆเราเรวสีหนาทีนะั้นหลังจากนั้นมันจะเริ่มเฉื่อยเนเวลาหลบพ่อเทศเนี่ยเทศไม่เกิน45บห้านาทนะีเทศตอนที่ยังพอรู้เรื่องแต่ว่าบ่ายวนันนี้ต้งเทศน้อยกว่านั้นหน่อยเพราะมันง่วงความง่วงมันแทรกซึมพวกเราทาให้ใจเราฟุ้งซ่านง่าย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 นั่งสมาธิไม่เป็นตายไปแล้ว <c oughs> นั่งสไตล์ไปเลยเนี่ยความจริงจิตรวมลึกเลยนะนไม่หายใจเนี่ยท่านชานาญขนาด น, นี้นะคนยังคิดว่าท่านทํำสมาธิไม่เป็นเคยอย่างนี้ท่านกเคยสอนตัวท่านอะ่ะชอบสอนกรรมฐานบอกยืนเดินนั่งนอนกินดื่ม ท, ทําพูดคิดชอบเจอหน้าทีไรนะ่ะเจอใครให้พูดอยู่ประโยคเนี้ย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 ท้าเมไรเข้าใจแจ่มแจ้งว่าขันห้าเป็นตัวทุกเรียกว่ารู้อริยสัจละรู้ทุกขสัจพวกเราสนใจธรรมะธรมโมเรารู้จักคําว่าทุกขสัจไหมทุกอริยสัจนะ่ะทุกสมูทัยนิโรธมรระสิ่งที่เรียกว่าทุกขสัจคืออะไรให้บอกสังคิตเตนะปัญจุปานขันธาทุกขาโดยสรุปขันทั้งห้านี้แหละคือตัวทุกแต่พวกเรายังไม่สามารถเห็นว่าขันห้าหรือรูปนามกายใจนี้คือตัวทุก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 นั่นธรรมะอย่างนี้อยู่ยากะเพราะมันฝืนนิสัยธรรมชาติมนุษย์มนุษย์เป็นลูกแงนชอบให้พ่อแม่ช่วยตอนเด็กๆนโตขึ้นก็เรียกครูช่วยเรียกอาจารย์ช่วยแต่งงานแล้วก็เรียกให้เมียช่วยะเออสารพัดเลยเนี่ยมีลูกก็ยองให้ลูกช่วยอีกมันไม่ค่อยอยากคิดพึ่งตัวเองเท่าไหร่นะเงินศาสนาพุทธเนี่ยอยู่ลําบากแล้วเป็นศาสนาที่สมเหตุสมผลคนในโลกไม่ค่อยมีเหตุผละใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลนะั่น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 โอกาสที่าศาสนาพุทธจะสูญไปเนี่มีในวงการาศาสนาเมืองไทยเองก็มีลัทธิเดลตีที่แทรกเข้ามาในพระพุทธาศาสนามากมายเหลือเกินคนไทยก็แยกไม่ออกว่าไหนคือคําสอนของพระพุทธเจ้าอันไหนไม่ใช่มั่วไปหมดเลยนั่นต้องเรียนนะแล้วก็ฝึกจนเห็นผลด้วยตัวเองแล้วช่วยกันรักษาสืบทอดพระาศาสนาไว้นี่คืองานของชาวพุทธที่พระพุทธเจ้าท่านฝากไว้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 หนูดีขึ้นเยอะเลยค่ะเออตอนนั้นหลวงพ่อให้ดูความโกรธนะคะทุกครั้งที่ร่างกายเอเกิดความโกรธมันจะเป็นก้อนอยู่ในร่างกายใช่อยู่ในอยู่กลางหน้าอกนะค่ะแล้วบางทีมันก็ลงไปข้างล่างแล้วบางทีมันก็ขึ้นมาบนหน้าเออถ้าขึ้นหน้าเนี่ยเตรียมตีกับคนละมันขึ้นอย่างรุนแรงค่ะก็จะเห็นชัดว่าเราบังคับมันไม่ได้เดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็ไปได้ดูไปหน้ามันเกิดเองดับเองแต่มันไม่เที่ยงค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 ค่ถ้า น, นิพิทาจะเป็นอีกแบบน ะ, ะเบื่อสุขกับทุกเท่าเท่ากั น, นะแต่อันนี้เราจะเอาวันหนึ่งจะไม่เอาวันหนึ่งยังเป็นโทสะอยู่หนูยังอยู่ในร่องในรอยอยู่รู้ดีขึ้นเยอะเลยเมื่อก่อนนี้ร้ายมากเลยนี่หลวงพ่อถาม <laughs> <laughs> เห็นแล้วน่ากลัวมากเลยพร้อมจะตีใครก็ได้ดีใช่ได้ฝึกแล้วนะเราก็จะเปลี่ยนแปลงนะดี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 เมบางคนไม่ทุกข์เลยสติแตกนะเชินเออทั้งวันเลยก็มีนะก็ทุกแบบทุกสั้นขึ้นแบบรู้ตัวมากขึ้นนะคะอย่านั้นใช้ได้แต่หนูก็ อ, อตื่นเต้นค่ะคือหนูอยากมาข อ, อกันบ้านนะคะว่าคนทํายังไงต่อไปะค่ะอยู่กับปัจจุบันไปค่ะเห็นกายเห็นใจเขาทางานไปนะะ <c oughs> <c oughs> แต่ถ้าเข้าฟุ้งซ่านขึ้นมาก็ทําความสงบเป็นระยะระยะเราฟุ้งเก่งค่ะทําใจสงบเป็นระยะระยะไปแล้ว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 แต่อแล้วหนูตกใจว่าเป็นเป็นอะไรหนูหใจหนูมันเต้นแรงมากอ๋อค่ะหนูก็เลยแบบอายุก็รู้อยู่กับรู้อ ย, า ค, อยาคิดอย่าคิดอะไรเงี้ยมันนั้นก็สมถะค่ะอะหนูควรทายังไงต่อไปคะก็ดูไปพยายามแยกนะกายก็อันหนึ่งนะความเจ็บปวดก็อันหนึ่งจิตก็อันหนึ่ง ค, ความสงสัยไว่จะทํายังไงดีก็อีกอันหนึ่งก็แยกออกไปได้ลยลบากมากเลยค่ะเพราะมันชอบสงสัยค่ะนั่นแหละจุดอนค่ะไปดูตัวนี้แหละค่ะ บ ค, คเวลาภาวนานะแล้าก็สงสัยนี่สงสัยก็คิดไป เ, เรื่อยๆกราบมณศการหลวงพ่อค่ะขอการส่งการบ้านครั้งแรกนะคะเริ่มปฏิบัติมาประมาณจริงจังประมาณครึ่งปีอะค่ะก็คือครึ่งปีทำได้อย่างนี้ก็เก่งแล้วละก็ เ, กวะーーเวลาอยู่ในรูปแบบก็คือจะใช้เหมือนลมหายใจแล้วก็มีพุโทโธกากับนะคะแล้วก็โดก็เวลาปฏิบัติมันก็จะพบว่า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 ทำได้แค่ประมาณสิบสิบห้านาทีมันฟุ้งใช่ไลวง<ล>พ่อถึงขอแค่สิบห้านาทีไม่ขอเยอะจากนั้นก็มันจะมีจุดเปลี่ยนแปลงคือเรารู้สึกได้ทุกวันว่ามันมีพัฒนาการแล้วก็มันจะมีจุดช่วงหนึ่งที่มันคิดว่าเป็นจุดพีของตัวเองนะคะคือคื อ, คอรู้สึกว่าจิตมันรวมมันนิ่งแล้วมันแยกออกมามแต่แต่ถามว่าถามว่าเคยเคยฟังคลิปของพ่อค่ะคือบอกว่าแยกจิตแยกกายอะไรย่งเงี้ยคือก็ยังไม่แน่ใจว่าอันเนี้ยใช่หรือเปล่า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 หนูไม่อยากสงบค่ะคือเหมือนกับว่านั่งฟุ้งก็รู้ฟุ้งก็รู้แต่ก็ฟุ้งเท่าเดิมเลยนะคะให้ดูตรงนี้โทสะมันแทรกเราไม่เห็นเราลำคาญมันเต็มประดาแล้วแต่<ช>เราทนนั่งไปให้รู้ทันใจที่ลำคาญอ่ะไปดูนะใจมันลำคาญมันหุนหงิด่ะค่ะไปดูตัวนี้เข้าไปค่ะอหนูที่ใส่แว่นตานียเวลาที่เราดูสภาวะนะอย่าให้ใจมันถลําเข้าไปถ้าใจมันไหลเข้าไปดูนะ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 ไม่ใช่ไม่มีอะไรให้ดูหรอกเราไม่ยอมดูไอเดือกับขอบคุณหลวงพ่อแต่ว่าหลวงพ่อชมนะว่าหนูเปลี่ยนไปเยอะเลยเปลี่ยนเปลี่ยนไปม า, ปมากชีวิ ต, ช, วตชีวิตหนูดีขึ้นมากตั้งแต่ได้ซีดีแผ่นแรกของหลวงพ่อจนปัจจุบันเนี้นะคะ่ะแนุวมีนโมทนานะหนูดีขึ้นมากเลยนมสัส ก, การครับหลวงพ่อก็เพิ่งเริ่มปฏิบัติต่อเนื่องมาประมาณหกเดือนตั้งแต่กรกฎาคมครับก็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 พอทางที่ผมเดินนี่พอพอใช้ได้ใช่ไหมครับใช้ได้นะแต่ว่ามันยังฟุ้งเก่งอยู่ให้คอยรู้ทันจิตบ่อยๆสมาธิมันจะเพิ่มขึ้นครับขอบคุณครับครับมาสการหลวงพ่อค่ะเอเมื่อสองเดือนที่ผ่านมานี้จิตมันยังเบิก บ, บานอยู่เลยแต่ว่าช่วงเนี้ยม่นชอบไหลครับในโหมดเศร้าๆตื่นขึ้นมาก็ไปเราอย่าไปยอมสิอย่าไปจบคุณติดลอกอะไรอยู่ไหมคะฮะ มันติดลักอะไรหรือเ่าอย่าไปกลัวมันอย่าไปกังวลนะติดไม่ติดนะไหลเข้าไปก็รู้ติดอยู่ก็รู้อยากหลุดออกมาก็รู้ถ้าเรารู้อย่างที่มันเป็นด้วยใจที่เป็นกลางแล้วมันไม่ติดอะไรหรอกที่มันติดได้เพราะใจเรายังไม่เป็นกลางอย่างมันเราไม่ชอบอันนี้เราชอบอันนี้ก็เห็นว่ามันมันบังคับไม่ได้แต่มันก็จะชอบแต่ไปเกิดไหมโทษะมันเกิดก็ก็เห็นตัวนั้นนะแหละที่ทําให้มันไม่หลุดเพราะจิตตัวนั้นไม่ได้มีสติจริง จิตดวงนั้นเป็นโทสะมูรจิตแต่ใช้ได้นะที่ภาวนาอยู่ในภาพรวมขันมันแยกดูออกไหมออกนะแยกขันได้นะไม่ใช่เรื่องเล็กนะหลวงตามหาบัวนะฟันธงเลยว่าถ้าแยกขันไม่ได้อย่ามาคุยอวดเราเรื่องเดินปัญญานะเมื่อขันมันแยกได้แล้วเราก็เห็นขันมันทํางานไปแต่ว่าเราก็เห็นด้วยใจที่เป็นกลางนี้บางช่วงเจริญเราก็พอใจพอช่วงมันเสื่อมเราไม่พอใจ เราไม่เห็นว่าใจไม่เป็นกลางให้รู้ทันใจที่ไม่เป็นกลางนี่พอใจเป็นกลางนะทุกอย่างเท่ากันหมดเลยก็การปฏิบัติจริงๆต้องเบิกบานตลอดหรือเปล่าคะ่ะไม่บอกว่าไม่เบิกบานตลอด <c oughs> จิตผู้ <c oughs> รู้ <c oughs> ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็ไม่เที่ยงหมายถึงว่าโดยภาพส่วนใหญ่ต้องเบิกบาน <c oughs> ใช่ไหมจิตเนี่ยนะจะทั้งจิตพระอรหันต์นะมีเวทนาสองชนิดนะไม่ใช่มีแต่โสมนั้นเวทนานะมีอุเบกขาด้วยนะ ยันจิตสลับกันเดี๋ยวก็เป็นโสม น, นัสเดี๋ยวก็เป็นอุเบกขายันไม่ใช่โสมนัสตลอดเป็นไปไม่ได้มันไม่เที่ยงหรอกก็งั้นก็คือก็คุณก็ดูต่อไปตามที่ทำคุณดูแล้วก็รู้ทันใจที่ไม่เป็นกลางตัวนี้พอมันเสื่อมเนี่ยไม่ชอบให้รู้ตัวนี้อ่แล้วที่ผ่านมานี่จเจริญปัญญาบ้างรือเปล่าคะเพราะว่าเห็นมันก็มากำไม่ได้เนี่ยจเจริญแต่โทรศัมันแซ่ด การบ้านรู้ทันยัไงรู้ทันจิตไปตโทรศมันเข้ามามันไม่เป็นกลางหาดรู้สภาวะนะเมื่อรู้สภาวะแล้วจิตยินดียินร้ายให้รู้ทันมันจะเข้ามาสู่ความเป็นกลางด้วยสติเมื่อจิตเป็นกลางด้วยสติแล้วก็เห็นสภาวะทั้งหลายเกิดดับไปเรื่อยๆสุดท้ายก็เกิดปัญญา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 อย่างตัวยึดในความเห็นเนี่ยเห็นไหมตัวนี้ตัวยึดในความคิดความเห็นอะไรเงี้ยเห็นครับหลวงพ่อหลวงพ่ อ, พอทักเมื่อกี้เห็นเลยครับเออนั่นแหนละหารู้ไปอย่างนี้นะเราจะรู้กิเลสกิเลสมันซับซ้อนอนะ่ะมันปนระณีตมันมีหลายชั้นเรารู้แล้วกิเลสหยาบหยาบโลดโดลงเรารู้ละอันนี้เป็นกิเลสชั้นละเอียดละเอียดเข้าไปนะตัวนี้ก็เป็นมันความสุ ข, ขของชีวิตเราเหมือนกัน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 ถึงรู้ทันกิเลสกิเลดมันประนีกิเลสยิ่งละเอียดเนี่ยยิ่งดูยากหน้าตามันจะเหมือนกุศลยิ่งกิเลส ช, ชั้นสูงเลยนะหน้าเหมือนกุศลเลยอย่างตัวมานะนะมานะมานะของอย่างพระนาานะักขาเนี่ยมีมานะแต่มานะเนี่ยไม่ใช่กูเก่งนะมานะโอ้เมื่อไหร่เราจะได้อย่างอาจารย์อย่างงี้ฉันรู้สึกอย่างนี้หรืออุธธจจะความฟุ้งซ่านคนอื่นเขาฟุ้งซ่านในกาม อย่างพระนาคาฟุงซ่านฟุงซ่านในธรรมะดิ้นรนคน้นคว้าว่าทำํทำไงจะหลุดพ้นทําไงจะหลุดพ้นใจยังค้นคว้าอยู่เนี่ยอุทัจฉะมันหน้าตานะมันเหมือนกุศลนะมันดูยังไงก็ไม่เป็นกิเลสนะดูยากรู ป, ปราคารู ป, ปราคาดูแล้วเขาเป็นคนดีไม่อยากยุ่งกับใครสงบวันวันอยู่แต่ความสุขความสงบแหมดีจังเลยในกิเลสอวิชญ์ยิ่งร้ายที่สุดเลย จิตวิชาดวงนี้นเป็นจิตที่สว่างสวัยมากเลยองใสประพัดสอนดูแล้วไม่มีกิเลสเลยมันเห็นว่าจิตนี้แหละเป็นของดีของวิเศษมันไม่เห็นว่าจิตนี้เป็นตัวทุกข์มันบังทุกข์อยู่เท่านั้นเองไม่เห็นทุกข์เพราะฉะนั้นเวลาเราภาวนาน์เบื้องต้นเราก็เห็นกิเลสหยาบๆไปต่อมาเราก็เห็นกิเลสที่ละเอียดตานิทขึ้นไปเรื่อยๆนะ สุดท้ายกิเลสทขาหลอกเราไม่ได้ไม่มีที่ในจิตใจเราที่กิเลสจะซ่อนได้ค่อยฝึกไปดีแล้วล่ะครับครัขอบคุณนวัดสักการหลวงพ่อนะครับเห็นไหมว่าเราเปลี่ยนเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมนิดหน่อยครับน่อยเห็นนิดหน่อยก็จริงๆได้มีโอกาสไปกราบหลวงพ่อเมื่อหลายปีก่อนที่สวนสันติธรรมนะฮะแล้วก็ได้ฟังซีดีหลวงพ่อมา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 มองเห็นตัวเองหรือเปล่าหรือเราคิดไปเองว่าเราคือหายใจไปพร้อมๆกับบริก ร, ร่าบริกรรมไปพร้อมๆกับบริกรรมไปเรื่อยๆนะให้จิตมันมีบ้านอยู่ครับที่ฝึอกอยู่อย่างนั้นแหละถูกมันถึงจะมีแรงอืจิตไม่มีบ้านอยู่จิตไม่มีแรงครับทําถูกแล้วล่ะหลวงตามหาบัวเคยเล่านะว่าท่านเล่าให้หลวงพ่อฟังเองเลยท่านบอกว่าต้องเชื่อเรานะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองอะไรๆก็สู้บริกรรมไม่ได้ท่านว่างี้นะ แต่หลวงพ่อไม่ถนัดบริกรรมพอบริกรรมนะจิตมันเหมือนจะแตกเลยเราไม่เอาบริกรรมเราใช้หายใจอืมเสร็จแล้วริงก็รวมลงที่เดียวกันแล้วจิตรวมลงมาแล้วเราก็ดูจิตมันทํางานไปมไม่ใช่ไปบังคับจิตให้นิ่งนะครัขอาคุณใช้ได้นะจิตมันมีกําลังขึ้นมาแล้วครับครูปุณถามอีกนิดหนึ่งได้ไหมครับตอนที่อย่างบริกรรมเนี่ยผมค่าๆกับว่าไหนๆจะบริกรรมแล้วผมก็เลยเอาคาถาอย่างของ หลวงปู่ทวดไงนโมโพธิสัตโตคั น, น, น<ม>ติมายะอิติภัควาบริกรรมไปด้วยก็เป็นคล้ายๆแทนพุธทธโภพุทธได้อะไรก็ได้นะคําบริกรรมให้สําคัญหรอกสําคัญคือมันเป็นเหยื่อตกปลาเราจะกินปลานะเพื่อ จ, จับเอาจิตมาให้ได้อืปลาตัวนี้มันไม่ชอบกินพุทโภปลาตัวนี้ชอบนโมโพธิสัตโตคันติมยายยะอิติภัควาอืก็ให้มันกินไอ้นี้แหละครั บ, บางคนยาวกว่า น, นี้นะ <laughs> บางคน ยาวมากเลยสวนไปเรื่อยอูเราบอกโอยังงั้นไม่ได้กินนะยาวเกินไปไม่ดีอะเมื่อคนเล่นบริกรรมชินบัญชรโอ้ยจิตหนีไปตั้งห้าร้อยอบนะอย่าให้ยาวเกินงั้นก็ให้ผมทำเหมือนเดิมใช่ไหมครับได้บริกรรมนะแล้วรู้ทันจิตไปบริกรรมแล้วสงบก็รู้ฟุงงซ่านก็รู้ดีก็รู้ชั่วก็รู้รู้จักคุณแม่จันดีไหมเคยได้ยินชื่อไหมครับเคยยินน้องหลตา คุณแมจันดีถามหลวงพ่อบอกท่านอาจารย์ภาวนามาอย่างไงจิตลงที่เดียวกันเท่ า, านี้บอกว่าอาตมาใช้อนาปนานสติหายใจนะพอลมมันระงับไปมันเป็นแสงอยู่ที่ที่จมูกเนี้ยเป็นแสงแล้วจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้ท่านบอกท่านนั้นหลักเดียวกันแต่ท่านไม่ได้ใช้ลมท่านใช้พุทธโธ ท, ท่านบริกรรมท่านพุทธโธแล้วท่านเอาจิตไว้ที่ปลายจมูกนี่เหมือนกัน แล้วจิตเคลื่อนรารู้พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธหนีไปแล้วรู้ทันพุโทโธพุธโทโธหนีแล้วรู้ทันสมาธิที่แท้จริงมันก็เกิดขึ้นมาแล้วก็เดินปัญญาต่อการที่ทำอยู่ในะใช้ได้นะจิตมีกำลังรรกราบนมำพระส ก, การหลวงพ่อคะ่ะวันนี้หนูดีใจมากคะ่ะเพราะว่าช่วงนี้ทุกหนัก ว, วันนี้ไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าพอดีขับรถมาหาที่เพื่อให้คุณพ่อพักฟื้นหลังจากไส้ติง่งแปะแล้วก็ผ่านมาเห็นปายขึ้นที่หน้าโรงเรียนลุงอรุณหนูเคยฟังทำหลวงพ่อคะ่ะเมื่อห้าหกปีที่แล้วณ ว, วันนั้นมีพี่หนูทุกมากมีพี่แนะนำให้ได้รู้จักหนูก็เริ่มฝึกปฏิบัติค่ะหลวงพ่อก็ทำได้บ้างไม่ได้บ้างเนื่องจากหนูเป็นคนที่ เหมือนกดอารมณ์ตัวเองอ่ะค่ะ mm hmm. แล้วก็ทราบว่าตัเองทุกก็พยายามจะรู้ทุกแต่มันก็ไม่เห็นหายทุกค่ะหลวงพ่อตอนนี้ก็ก็หลังจากพอชีวิตก็เราพยายามปฏิบัติมันก็เริ่มดีขึ้น mm hmm. ก็ละเลยค่ะหลวงพ่ออ้าวเหรออย่าไปละเลยสิว่ามันไม่ถูกอะค่ะ <c oughs> มันก็ละเลยหลงไปกับโลกหลงไปกับความสุข mm hmm. พอวันนี้เนี่ยพอเริ่มกลับมาทุก์เราก็คิดได้ mm hmm. วันก่อนเพิ่ง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 ค่ะหลวงพอ่อซ้อมนะที่คุณซ้อมมาก็ใช้ได้นะการที่มีปัญหาเรื่องคุณพ่ออะไรเนี่ยทําให้ใจมันตื่นตัวขึ้นมาดูสีก า, กายก็อันหนึง่งใจก็อันหนึง่งค่อยๆสังเกตเห็นไหมว่ามันแยกได้ของคุณอะแยกขันได้แล้วละ่ะกายก็อันหนึง่งใจก็อันหนึง่งแต่บางทีมันก็รวมกันแล้วดูความรู้สึกทั้งหลายกับใจก็คนละอันกันดูอย่างนี้เรื่อยๆนะดูไปถึงจุดหนึ่งจะเห็นในร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรา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 ความกังวลใจมันมาแล้วก็ไปไล่มันก็ไม่ได้บังคับมันก็ไม่ได้ไม่ได้ฝึกเพื่อบังคับความรู้สึกนะแต่ฝึกเพื่อให้เห็นว่าความรู้สึกเท่าไหร่ไม่คงที่ความรู้สึกเท่าไหร่บั ง, บงคับไม่ได้นะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ดูอย่างนี้เรื่อยๆถ่าหลวงพอ่อถ้ามันไม่เห็นก็สอนมันไปค่ะกรรมขอบพระคุณหลวงพ่อครับจะตั้งใจปฏิบัติคะ่ะสู้นะไม่งั้นต่อไปเวลาชีวิตมีปัญหาหนักๆเราสู้ไม่ไหว ครเป็นนักมวยไม่เคยซ้อมชกนะขึ้นโชคก็ตายเลยกลับนมันสการหลวงพ่อเจ้าค่ะ๋ลวงพ่อเต้นไหมตเต้นไหมตื่นเนต้นค่ะเต้นมากหรือเต้นเต้นน้อยตอนนี้น้อยลงค่ะเห อ, อเห็นไหมไม่เจี่ยงเห็นที่ถึงที่เรียกว่าดูเป็นแล้วไงอีกนูใครสง่งไปบ้านหลวงพ่อเมื่อคราวที่แล้วที่หลวงพ่อมาโร ง, งเรียนลุงอรุณ น, นะคะหลวงพ่อบอกว่าฟงเยอะ หนูก็กลับไปทำตาม ไ, ไม่ได้ใส่ร้ายป่ะไม่ได้ใส่ร้ายค่ะเยอะเลยนลหนูก็เห็นกิเลสเยอะค่ะนั่นแหละดีการภาวนานะไม่ใช่ทําอะไรหุนหุน ๆ, ๆุนไปนะหลับปุหลับตาหายใจไปขยับมือไปทําใจนิ่งนิ่งว่างๆไม่ใช่เรื่องหรอกูหเห็นกิเลสนะก็ดีแล้วกิเลสเกิดได้กิเลสดับได้กิเลสมาเองกิเลสไปเองดูอย่างนี้เรื่อยๆไป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 ดูเหมือนดูคนอื่นไปทำเอาไปอยู่ปฏิบัติอยู่ในร่องรอยฐานรุ่ไหมคะสังเกตไหมล่ะว่าขันมันแย่งได้บางครั้งค่ะถูกถ้าทุกครั้งมันก็เกินไป <c oughs> คือหนูเห็นแบบเหมือนบางทีเราสวนมนใช่ไหมคะมคือเราก็เห็นมือใช่<ว>ยยอยู่เ ห, เห็นตัวนี่เป็นสวนะ่วนไม่ใช่เราหรอ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 บังคับกายบังคับใจไปเรื่อยๆไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอกได้แต่ความลำบากอย่างนี้เราไปพ่อนาแล้วก็ล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนไปได้เรื่อยๆหมดแล้วมั้งขอถวายการปฏิบัตินะคะเป็นพุทธบูชาหลวงพ่อและพ่อแม่เจ้าค่ะขอกราบขอขมาหลวงพ่อได้เจ้าค่ะได้ได้ไม่ว่าหลวงพ่อเนี่ยเป็นพระที่ค <ๆ S 1> นมะาขอเข้ามาเยอะที่สุดเลยนะ ไปไหนก็มาขอเลยทั้งๆ ท, ที่ไม่รู้จักเลยเพราะว่าสังคมเดี๋ยวนี้มันเป็นสังคมสื่อฟังอะไรก็วิจารณ์ต่อๆไปเรื่อยๆนะไม่ได้รู้เรื่องอะไรก็พูดไปเรื่อยๆวันดีคืน ด, ด, ด, ดีก็กงมาขอเข้ามาอุตสาหประกาศไปแล้วทว่าขอให้ทุกคนเลยไม่ต้องมาข อ, อก็ได้ <laughs> ที่จะขอเข้ามานะไม่ถือหรอก ช่วงเวลานี้ก็อยากจะให้สมาธิภาวนากันสักอึดใจนะคะเตรียมพร้อมกายวาจาใจสำหรับที่จะถวายผ้าไตรธยธรรมค่ะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าไตรจตุปัจปจัยไทยธรรมพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าไตรจตรุปใจทายธรรมและของบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานของข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทนนยาถาวาริวหาปุราปริปูเรนตีสาคารัง เอวเมวัยโตทินนางเปตานางอุปกปติอิชิตังปฏิตังทุมหังขิปเมวาสมิฉะตุสเพปูเรนตุสังกปาจันโทปันรโสยถาไมณิโชติรโสยถาสัภีติโยวิวัตชันตุสภโรโควินัสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีทิคารโยโกภวะอภิวาฒนาศีริสนิจจังอุทาปัจัยโน ชะตาโรธรมวะวันตียอายุวันโนสุ ข, ขังพระลังสาธุพ่ออนุโมทนากับทางโรงเรียนเลยนะรเรียนพวกเราพ็ภาวนาเข้าเจอกันที่ไหนก็ต้องส่งกันบ้านนะางทีปกติเจอหลวงพ่อไม่มีคุยเรื่องอื่นไม่เคยถามเลยสบายดีเอยมีถามอะมันจะสบายได้ไงมันมีแต่กองทุกข์นะเราก็ดูถ้าเราภาวนานะ